มโมหณะสิกขาบท 126. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะแส่งทมผู้อื่นให้หลงณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉภ ค, คีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉภ ค, คี